ความจริงมิใช่แต่ศีลเท่านั้นแม้ข้อวัดต่างๆมากมายในการถือทุดงข้อหนึ่งข้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่ตัวท่านและมิใช่ข้อบังคับในวินัยพระอรหันต์บางท่านก็ปฏิบัติโดยสม่าเสมอเพื่อเป็นที่ธรรมสุขวิหารส่วนตนและหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงามศีลกับรสแตกต่างกัน ตามนัยยะคำภีมหานิเทศว่าศีลหมายถึงการสังวรยับยัง้งไม่ละเมิดพรตตรงกับบาลีว่าวัตตหมายถึงการสมาทานถือปฏิบัติก็ปฏิบัติที่เรียกว่าทุดงทั้งหลายเรียกว่วัตตะหรือพรตเท่านั้นไม่เป็นศีลแต่บาลีฉบับอักษรไทยสับสนเอาวตคือพรต วัตตะคือวัดปนเปกันข้อปฏิบัติที่เป็นวัตตะหรือพรดแต่ไม่เป็นศีลอย่างทุดงนั้นเป็นข้อปฏิบัติส่วนพิเศษเพื่อความเคร่งรัดขัดเกลาฝึกอบรมตนเองให้ยิ่งกว่าปกติเน้นที่ความมักน้อยสันโดษแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจความเหมาะสมกับอุปนิสัยและขึ้นกับความพร้อม ใครจะถือปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ไม่มีความผิดต่างจากศีลซึ่งสมาชิกทุกคนของหมู่พึงรักษาเสมอกันถ้าไม่รักษาย่อมมีผลเสียหายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมถ้าเป็นศีลแบบวินัยมีโทษตามบัญญัติอีกด้วยวัตตะหรือพรตบางอย่างแม้จะมองดูเคร่งครัดอย่างยิ่งแต่ผิดหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงห้ามและบางอย่างถือเป็นความผิดทางวินัยด้วยเช่นการถือพรตไม่พูดที่เรียกว่าหมู่กพรสโดยหมายว่าย่อมตัดปัญหาจากการพูดผิดเช่นพูดเท็จเป็นต้นได้หมดทรงตำหนิว่าเป็นการอยู่อย่างปสสุสัตว์การถือพรตกินเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองจากต้นโดยหมายว่า ย่อมตัดปัญหาการเบียดเบียนสัตว์และพืชได้หมดเป็นข้อปฏิบัติทรมานตนเกินพอดีของพวกเดรธีที่หลบหลีสังคมอันหนึ่งยังมีข้อปฏิบัติอีกพวกหนึ่งคู่กับศีลเป็นส่วนปลีกย่อยเรียกว่าวัดวอแหแวนไม่หานากาศต่อเต่ารอเรือพูดเทียบสั้นๆว่าศีลเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานวัด เป็นข้อปฏิบัติเสริมให้ดีงามเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาศีลเช่นเพื่อตัดหรือลดโอกาสที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจึงควรระลึกไว้ด้วยว่าในการพิจารณาเรื่องศิลพระธรรมปรามาตยไม่พึงลืมมองเหตุผลและความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและประโยชน์สุขของหมู่ชนด้วยการรักษาศีลข้อวัด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 ไม่ให้เข้าถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลบำเพ็ญข้อวัดทำตามระเบียบแบบแผนพิธีอย่างอัตจบรุษคือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเองยกเอาคุณความดีเหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อ ย, ยกตนข่มผู้อื่นผู้รักษาศีลประพฤติตามวินัยควรเข้าใจวัตถุประสงค์คือประโยชน์ที่มุ่งหมายของวินัย พระพุทธเจ้าทรงทแถลงก่อนบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อซึ่งมีอยู่สิบประการในที่นี้จัดหมวดย่อยใส่ไว้เพียงเพื่อให้ดูง่ายคือ 1. เพื่อความรีงามที่เป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงสอเพื่อความผาสุขแห่งสงสองข้อนี้เป็นหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่สงหรือส่วนรวมข้อสาม เพื่อกำราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอาย 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าพิสุผู้มีศีลดีงามข้อ 3. าข้อ4นี้เป็นหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคล 5. เพื่อปิดกั้นความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในเบื้องหน้า 5. ข้อหข้อ6นี้ เป็นหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่การเจริญธรรมพัฒนาชีวิต7เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส8เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วข้อ7ข้อ8นี้เป็นหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน 9. เพื่อความดํารงมั่นแห่งสรัทธาสิบ เพื่อสนับสนุนวินัยให้หนักแน่นข้อ9และข้อสิบนี้เป็นหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนาในอังกุตตรนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทโดยตรัสเป็นคู่ ค, คู่รวมสิบคู่เห็นควรยกมากล่าวไว้ในที่นี้ด้วยหนึ่งคู่คือสองข้อต่อไปนี้หนึ่ง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 ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆอันได้แก่การดำเนินกิจการของสงฆ์โดยการร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกแต่สังฆกรรมทั้งหลายจะเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะสงฆ์มีความสามคัคคีไม่แตกแยกข้อนี้จึงเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงย้าความสาคัญของสังฆเภทและสังฆสามคัคคีโดยตรัสว่า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 ก็ล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์ศุขและความดีงามของสงฆ์และสังคมทั้งสิน้นดังจะเห็นได้จากข้อปฏิบัติสามัญอย่างหนึ่งคือการแสดงความเคารพ